ก็แต่งเพลงขึ้นมาให้เธอเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ฉันเขียนด้วยน้ำตาแตังมาเพื่อย้ำเตือนและให้คนรู้ว่าจริงๆเธอนั้นเป็นเช่นไรเรื่องราวที่เธอไม่เอาใจใส่แต่มีใครๆตั้งมากมาย ไ่งั้นทุกคนคงจะรู้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแค่เธอได้ฟังอยู่ในวิทยุหรือในสายตอ้เพลงขึ้นมาให้เธอเล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 คนคงจะรู้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแค่เธอได้ฟังอยู่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญแค่เธอได้ฟังอยู่ในวิอยู่หรือในซอยอยากร้องออกมาให้มันดังดังอยากตะโกนในทั้งโลกได้ยินแต่เพลงมันไม่ดังน้ำตาก็ไหลรินแต่งเพลงให้เธอแล้วมันไม่ดัง